นั่งกับพื้นนานๆขาไม่ดีนะขอนั่งย่อนเท้าออกแล้วกันสำหรับผู้ใหม่สิบสองท่านขอดูมือหน่อยได้ไหมมายังยังไม่มาเนาะอไ ม, ม่เนาะเหลิมชัยเห็นหน้าใหม่ๆอยู่นะเจ้าคนโมทนาเมื่อกี้เราอลัทธนาอะไรนะอลัทธนาสินแปดใช่ไหม รัธนาสิน8ปดยมทวีชัยหาสนะนั่งข้างนี้ก็ได้อ๋อมีการนี้ด้วยโอเครัฐนาสิน8ความจริงก็คื อ, อขอ้อระเบียบข้อสัญญาที่เรามาทุกคนรู้จักดีแล้วเนาะเรื่องสีลเรื่องที่ทำกันมานานแล้วสมัยที่จะมาไปฟังเรื่องสีลห้าสินแจากลวงพ่อเทียน เ อ, มอามาก็เกิดความไม่ไม่เห็นด้วยกับท่านนะนะว่าสิลห้าสินแปดท่านต่างท่านพูดถึงศินที่เป็นปรามาตัตร์อ่าสินที่เราสมาทานกันนะหมายถึงสินห้าสินแปดโดยทั่วไปเพราะสิน้วยปรามัตร์ก็มีห้าข้อแต่มันจะครอบคลุมหมดทุกๆุกสินนะนะคําว่าศินนี่เขียนไว้ไงเคยเห็นนะเนาะเคยเขียนเป็นเนาะเขียนว่าไงเราเขียนได้ไหม สสลาสะละอแล้วลอลิงนะคุ้นๆกับว่าคำว่าศิลาไหมเขียนเ ห, นหมือนคบว่าศิลาไหมศิลาแปลว่าอะไรแปลว่าหินนะถ้าม่ชื่อเอาเอาชื่อของหินมาตั้งเป็นศิลป์หินมีลักษณะอะไรบ้างหนึ่งแข็งเนาะเข้มแข็งสองไม่หวั่นไหว มีอะไรแล้วสามแตกผูกง่ายไหมไม่แตกง่ายสามเวลาโยนลงเนี่ยมันอยู่ที่ลึกหรือที่ตื้นเวโยนลงน้ําเนี่ยมันลอยหรือมันจมจมอยู่ก้นน้าเลยนะแล้วก็สี่เวลามันตากแดดมันจะเป็นไงร้อนแล้วมันตากฝนตากอยู่ในน้ํามันก็เย็นเอามันปรับตัวดำ ปรับตัวตามสภาพแวดลอ้อมท่านก็เลยเอาลักษณะของขินเนี่ยไปชื่อของศิลว่าคนที่มีศิ น, นหนึ่งจะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนหนักแน่นสองเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายง่ายสาเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดลอ้อมสีก็คือเวลาไปตกที่ตรงไหนมีอะไรมาทุบมากระแทกมาอะไรมันก็ไม่แตกได้ง่าย หมายความว่ามันเป็นสภาพที่คงที่สี่เวลาไปตกในน้ำเป็นแช่ในน้ำมันก็ไม่ได้ลายก็จมลึกท่านเปรียบเสมือนของจิตของคนมีศินเนี่ยตั้งลักษณะเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่หวั่นไหวมีความจิตใจไม่กวัดแกวงไปกับสิ่งที่มกากระทบได้ง่ายมีความลึกซึ้งแล้วก็ปรับตัวอยู่ให้เหมาะสมอยู่เสมอ ทีนในเรื่องของศีลที่บัญญัติไว้ว่าเป็นข้อที่หนึ่งที่2ที่สมที่4ี่ที่5เราคุ้นกันจนเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเลยนะว่าทําไมจะต้องเอาเรื่องของการฆ่าสัตวนะ์มาไว้ข้อที่หนึ่งเพราะคนทุกคนโดยสัญชาตญาณเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยนะต้องการความปลอดภัยใครจะแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆมายุงมาบินเกาะเรามันยังกลัวตาย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 มันไม่ด้ปวดเออ ม, ม, มันไม่ด้ปวดแสดงว่าที่มันปวดนั้นมันผิดปกติแล้วใช่ไหมอ่าศีลโดยประมาจึงแปลว่าปกติอะไรก็ตามที่ผิดปกติไปโดยประมาจึถือว่าผิดละ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งนานๆนั่งสมาธินานๆร่างกายเราเกร็งเราแข็งเราทื่อเราปวดแล้วไม่ทําให้ปกติเนี่ยถือว่าร่างกายผิดศีลละถ้าผู้ดีร่างกายเราจะง่วงไหมง่วงคอพับคอเอียงไหม ไม่ง่วงถ้าคนไหนอ้วนโยนข้อพระขยังถือว่าผิดปกติไหมอ่าผิศีลแล้วอันนี้ในแง่ของปรามัดนะเพราะในแง่ของปรามนะัดนี่เขาไมาศีลเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครผีดศีลง่งงงลวงๆเราก็ตบล้ํานะ่อยตื่นๆมันผิดปกติแล้วนะผิศีลนละวร่างกายผีดศีลนี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะ น, น, นานๆไปร่างกายเราไม่สบายเพราะฉะนั้นคนผิศีลบ่อยๆเขาจะเป็นคนป่วยถ้าะได้สั่งสมความไม่สบายทีเล่นิดเลนิดนะ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 สบายนิดหน่อยแต่ไม่สบายบ่อยๆแต่อย่าให้มันมากเกินไปนั่นคือปกติถ้าคนไหนรักแต่ความสบายโดยไม่ให้ร่างกายนี่ทุกอยากลําบากไม่ให้มันหนักไม่ทําอะไรหนักเลยนั่นมันผิดปกติในที่สุดร่างกายเราก็จะอ่อนแออไม่มีภูมิต้านทานแต่ถ้าหาคนไหนทาให้ร่างกายผิดปกติบ่อยๆร่างกายก็สั่งสมความเจ็บป่วยวันในที่สุดร่างกายก็ไม่สบายเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ เพราะนั้นท่านบอกให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งคือทั้งฝ่ายสมมุติและฝ่ายประมัดฝ่ายปรามัดหมายก็ว่าทําให้ตันเองให้พอดีอย่าให้ลําบากเกินไปและอย่าให้สบายเกินไปโดยประมัดแต่โดยสมมุติก็หมายความว่าเราไม่ได้เอาความลําบากที่เกิดจากตัวเราเองะไปทําให้คนอื่นลําบากถ้าไปทําให้คนอื่นลําบากทั้งกายทั้งใจเราก็ผิดศีลละอย่าว่าจะไปฆ่าใช่ไหมแต่ทําให้เขาทุกข์สุขลำบากใจนี่เราก็ผิดศีลแล้วนะ ในในแง่ของศีลปรมัตดจะละเอียดกว่าศีล ส, สมมุติถ้าศีลสมมุติหมายถึงจาไปฆ่ลันฟันแทงอะไรที่เราเห็นด้วยทั่วไปเพราะฉะนั้นแม้แต่การนั่งสมาธิก็สามารถจะผิดศีลได้ไหมไผิดได้ถ้ามันเกินพอดีอ่านั้นในแง่ของวิปัสสนาเราก็จะมาเน้นที่ความพอดีแต่แง่ของสมถะฤตาบะเนี่ยจะเกินพอดีหรือจะต่ำกว่าพอดีก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเป็นการฝึกฝนเนาะการฝึกฝ น, ก า, ฝ ก, ฝนการบําเพ็ญ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 ที่เราเกิดมาในเพราะวิบากกรรมนะถ้าเราไม่มีวิบากเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นวิบากกรรมมารับเศษวิบากต้องมานั่งทุกนั่งทนนั่งดูแลรกักษานั่งทำมาหากินเพื่อเลี้ยงมันนะเลี้ยงวิบากอันนี้แถมถ้าหากว่าเลี้ยงมันไม่ถูกไปรสร้างวิบากใหม่ต่อไปอีกเนี่ยเราเกิดมาด้วยวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็มา ở, เอาตัวนี่แหละตัวกุศลส่วนหนึ่งที่ได้เกิดมาและตัวอกุศลส่วนหนึ่งที่เรามีทุกข์ได้ทุกข์ติดตามมาด้วยเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศล เราก็เอาตัวเนี้ยตัวกุศลมาต่อเอาโดยมาศึกษาเรื่องศีลนะเพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งท่านบอกอ่ะยาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองก็ผิดศีลปรมัดการเบียดเบียนผู้อื่นก็ผิดศีลสมมุติอ่าเราฟังได้เรื่องผิดศีลสมมุติที่จะเป็นที่จะเป็นผิดศีลเป็นบาปใช่ไหมแต่เราไม่คข้ามืถึงศีลปรมัดคือการทําให้ตนเองให้ลําบากทำกายให้ลําบากทําใจลําบากนัใใ่นแหละ เราก็เป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนตันเองไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนะด้วยการไม่ผีสินทั้งที่เป็นสมมุติปรามาติข้อที่หนึ่งนะเพราะนั้นบางคืนเรานอนไม่หลับอ่าเหสาเหตุอะไรนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมามือกายหน้าผากผีสินไหมผีศีงแล้วเป็นไห้ผิดบ่อยไหมสีนแบบนี้ ผิดบ่อยๆเธอแก้ยากด้วยนะเพราะแสดงว่าเราต้องไปทําอะไรมาสักอย่างนะมันวันนึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาปรับผาเอาผิดศีลอะไรสักอย่างนะั่นทีนี่ผิดศีลข้อที่สองอว่ามันมีของของเราลักขโมยคนว่าลักขโมยแต่ความจริงแล้วเราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะไม่ เอาสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้ของเราเอามาเป็นของเราแต่ความจริงในศีลข้อสองเนี่ยว่ามันไม่มีมันผิดตั้งข้อแรกว่าเราสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราเร่างกายนี้เป็นเรามันก็จะมีของเราตามมาตามสมมุตินะว่ามันมีเราสมมุติว่าเป็นเรามันก็จะมีของของเราแต่ถ้าหาของของเราเนี่ยถ้าใครมาละเมิดปั๊บเนี่ยก็ถือว่าผิดศี่แล้ว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 ผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ถือว่าเราขโมยทรัพย์ของตัวเองส่วนใหญเ่เราไม่ได้คิดในมิตินี้นะเราไปเอาของคนอื่นมาก็ผิดศีลแต่ว่าเราเอาของของเราเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ข่มิงไม่ผิดศีลประมาทนะตอนั้นเองส่วนใหญ่การที่จะไปลักขโมยของคนอื่นเราสูญเสียทรัพย์สินเราค น, นอื่นค น, นอื่นสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพวกเราเนี่ไม่ค่อยมีละแต่การที่เราใช้ใจ่ายทรัพย์สินของตนเองไปจนทําให้ตนเองให้ลําบาก อันนี้ก็เป็นการขโมยทรัพย์ของตนเองในมิติเนี้ยเรามักจะไม่คยพูดถึงกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปเอาความรู้ต่างๆเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกอันนี้ก็เรียกเป็นการขโมยอันหนึ่งขโมยความรู้ของผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อให้ตัวเองเกิดความรู้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความรู้ของเราเองแล้วหาความรู้ของเราเองดังนั้นในสีลข้อเนี้ในแง่ของสมุติหมายความว่าเราไปรักของคนอื่นในแง่ปรามัตดคือเรารักของตัวเองนะแต่หลายคนนึกไม่ออกเอ๊ะฉันรักของตัวเองอยังไงคือ <c oughs> ของของเราเองเนี่ยเราทําให้เสียหายเนี่ยของของเราเองเราทําให้สิ้นเปลืองของของเราเองแเราทำให้อ่าไม่รักษาไม่ดูแลให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิสิทธข้อสองได้ในแง่ของศี่ข้อสาม การละมือดนะ์คือระมัดระวังคือการมีสตินั่นเองการมีสติคือมีศีลแล้วเกิดความร ะ, ะมัดระวังที่จะบางทีของในห้องเรามันอาจจะไม่หายแตกถูกหรือกระจุยกระจายไม่เป็นระเบียบหมายของว่าะสิทธิเราถูกระมืดล ะ, ะมีคนนําไปใช้มีคนมาทําแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ปีศีลข้อสแต่ปีศีลข้อ3โดยสมมุติบอกเอาไปลูกไปผิดลูกผิดเมียของรักของหวงของผู้อื่น แต่ว่าในแง่ของปรามัดก็คือทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายที่เราไปละเมิดในสิทธิของของเขาบางสิ่งบางอย่างเช่นว่ายืมของเขาไปใช้หรือของเขาอยู่ดีๆแล้วเราเอาไปใช้แล้วไม่ไปเก็บที่เดิมนี่ก็เป็นละเมิดสิทข้อสามโดยโดยปรามัดละดังนะนั้นเองศีลกับสติจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในแง่ของ ด้านสมุติเราเรียกว่าศีลเอามาแง่มาใช้ในแง่ของด้านปรามัตดเรียกว่าสติเราถึงคอยระลึกเพราะะฉนั้นการที่จะรักษาศีลได้ดีนั้นท่านว่าให้รักหัวรักษาหัวใจของศีลหัวใจของศีลมันมีแค่สองอย่างศีลน่าจะเป็นศีลห้าศีลแศีลสองอยิบเจ็ดศีล3ามร้อสี่รอยก็ตามแต่ให้รักษาสองข้อนะสองข้อเนี่ยอะไรเป็นหัวใจของศีล อาจจะมีนิทานสั้นๆแล้วให้ฟังหน่อยเนาะนิทานสั้นมบอกว่านักศึกษาของสำนักหนึ่งนะถ้าไปเรียนกันเ ร, เรื่องศีเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยให้สอบที่ละข้อละข้อแต่ละข้อก็เรียนกันหลายปีเหมือนกันเถอะทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วก็ต้องมีการสอบนะพระฤาษีเป็นอาจารย์ก็สอบบอกว่าให้ทุกคนข้อสอบข้อเดียวนะ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 ยกมือคนเดียวนอกนั้นได้มาหมดทุกคนนะเขาถามว่าเอาทำไมาไม่ได้ต้องมีคนเห็นทุกที่เพราข้อไม้ของอาจารย์ว่าต้องไม่มีคนเห็นนะเอาทำไมาเขาตั้งยี่สิบเก้าคนไม่มีคนเห็นเลยแต่ผมเป็นคนนะครับอาจารย์ผมไป็นจ้มยของใครเนี่ยผมรู้ว่าผมเป็นคนผมก็ไม่กล้าข้มวยเพราะผมเห็นตัวเองอยู่ว่า ง, งั้นปรากฏว่านักศึกษารุ่นนี้สามสิบคนผ่านได้คนเดียวเพราะนั้นนักศึกษาคนนี้มีอะไร อาอาจารย์ว่าฮิริโอตปะสัมปันาสุกธรรมสมาหิตสันตสัพปปุริซาโลเกเทวาธรรมติวุจเลว่าใครก็ตามที่มีหิริโอตปะคนนั้นถือว่าเป็นผู้มีหัวใจของศีลโดยแท้เมื่อมีหิริโอตปะแล้วนี่ศีลทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ไอ้อชั่วกลัวบาปอาการไอ้ชั่วกลัวบาปข้างนอกถือว่าเป็นยังเป็นสมมุติอยู่พวกคนอื่นเห็นนี่ยนะ แต่ถ้ากลัวตัวเองเห็นเนี่ยเป็นศีลประมติเป็นหัวใจของศีลเมื่อเรามีความอายชัวยว่วโกบาการจะละเมิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่ไ ม, ไม่เกิดเกิดความละอายใจขึ้นมาดังนั้นเองสติที่เราจะเจริญเนี่ยถ้าเป็นสัมมาสติแล้วจะต้องก่อให้เกิดศีลตัวนี้คือก่อให้เกิดฮิริโอตปาถ้าสติใดๆ ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมานานขนาดไหนก็ตามนะแต่ในจิตใจของเรายังไม่เกิดฮิริโอตปะถือว่าสตินั้นไม่เป็นสมาสติอามามา น, นึกถึงหลักสูตรของนวโควาที่พระมหาสมณเจ้าท่านบันญญัติไว้สีข้อในหน้าเดียวนะทุกเล่มผู้บวทใหม่เนี่ยจะต้องศึกษาหน้า น, นี้ก่อนเป็นระดับแรกเขาเรียกว่าโอวาสสำหรับผู้ใหม่ชุดแรกก็คือสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว ทำสองประกาศนี้เป็นพ่อของประกาศธรรมเปรียบเสมือนพ่อแม่นะอันที่สองพ่อแม่ต้องรักษาลูกตามหน้าที่ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะรักษาศีลหมายความว่าสติสมยตดีแล้วมันจะต้องก่อให้เกิดตัวฮิริอตระคือรักษาใจนะถ้าสติสมยตมีหน้าที่รักษาใจใจนั้นจะรักษาได้ถูกต้องนั้น ก็จะต้องให้เกิดฮิริอุดะปาเพราะรู้ว่าความชั่วและบาป น, นั้นทําให้ใจมันเสื่อมใช่ไหมทําให้ใจมันเสียทําให้ใจมันทุกข์ถ้าหากว่ารักษาใจได้คือมีสติแล้วฮิริอตดะปาก็จะรักษาใจชื่อว่าสตินั้นเป็นสมมาสติเพราะมีตัวยืนยันคือฮิอริอุดะปาได้แก่ศีล น, นะทีนี้ตัวศีลก่อให้เกิดสมาธิได้อย่างไรเป็นชุดเท่าที่3ชุดที่2องิริอุดะปะท่านใช้คําว่า ทำที่รักษาและคุ้มครองคนในโลกได้คือทำสองประการฮิลิเออตาปะนะและคําทุ้มครองสองประการนี้จะต้องดําเนินไปสู่ด้านภายในจะต้องก่อให้เกิดทำประการต่อมาถ้าใช้ว่าขันติโสระจาักระฉะนั้นขันติโสระจาักะจึงเป็นหัวใจของสมาธิคือความอดทนเพราะฉะนั้นในวิธีการการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องใช้ความอดทนไปนอันมากอดทนต่ออะไรบ้างหนึ่งอดทนต่อความขี้เกียจ สองอดทนต่อความ ง, ง่วงเหงาห้อนอนแต่คนใหนนั่งง่วงนี่ถือว่ามีความอดทนไหมไม่อดทนเพราะอย่างง่วงอยู่ <c oughs> ถ้าถ้าอดทนเราต้ อ, องไม่ง่วงนะสอดทนต่อความหมุนหงิดอึดอัดขัดเคืองนะสอดทนต่อความง่วงเอาห้านอนหอดทนต่อความฟุ้งซ่านหอดทนต่อความคิดปรุงแต่งอันนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ทําให้อ่า ร่างกายและจิตใจเนี่ยงดงามมีสองอย่างคือขันติและสุรจัส่วนใหญ่มีความอดทนแบบหน้าดำํำขมเครียดใช่ไหมอดทนแบบกลิ้งแบบเครียดแบบบังคับแบบกดบีบคั้นอันนี้ไม่สบายละทั้งร่างกายก็ไม่งามทั้งจิตใจก็ไม่งามแต่ว่าอดทนอย่างงดงามท่านใช้ว่าขันติสุระจักนั่นคือสมาธิเพราะนั้นหัวใจสมาธิก็คือความอดทนอย่างผ่อนคลายถ้าอดทนแบบเคร่งเครียดไม่ใช่นะ อดทนแบบผ่อนคลายเรียกว่าขันติโสรจากรโสรัญจักรแปลว่างดงามนะเอาละทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าคุณรักษาศีลมาถูกไหมคือตัวมีความอดทนมีความสงี่ยมงามแสดงว่ารักษาศีลมาถูกถ้ารักเสษาศีลมาถูกเกิดหัวใจของสมาติก็จะทำให้ทำให้เกิดหัวใจของปัญญาใครทราบบ้างหัวใจของปัญญาคืออะไรคุณสุขเกียรติ สอบเลยนะวันนี้นะสอบวิภาคศาสตระนี่หัวใจของปัญญาคืออะไรอันนี้หน้าแรกของนักวิวัฒนากดรนะผู้ที่เคยบวชมานี่ยจำไม่ได้นี่ถือว่ายังยังบวชยังไม่ครบนะหัวใจของปัญญาท่านบอกหนึ่งเป็นคนทําคุณให้คนอื่นก่อนเป็นคนทําดีให้คนอื่นก่อนนะสอง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 เรียกว่ามีกะตัญญูกะตะเวทีรู้ไหมว่าคนที่เป็นคนเป็นสาวกชั้นยอดที่เป็นอั克拉าสาวกที่มีกะตัญญูสูงสุดท่านผู้นั้นได้แก่ใครพระสารีบุตรใช่ไหมอาพระสารีบุตรเป็นคนที่มีปัญญารองจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นคนมีความกตัญยุอาจารย์คนแรกของท่านคือพระอาจารชีใช่ไหมท่านได้ข่าวว่าพระอาจารชีนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านจะนอนหันหัน ส, สศีรษะเวทีนั้นเพื่อบูชาคุณอาจารย์ เพราะนั้นคนที่มีปัญญาคือคนบูชาเรื่องกตัญตอยู่เป็นหัวใจแต่ถ้าหากว่าคนปัจจุบันมีปัญญาเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความการันต์อยู่ถือว่าไม่ใช่ ป, ปัญญาที่ถูกต้องไม่เป็นสมาปัญญาแต่ในที่สุดเราก็ต้องกาันต์อยู่กับร่างกายของเราเองใช่ไหมที่มันให้เราใช้เพราฉะก็ดูแลเขาให้ดีดูแลเขาไม่ให้เจ็บป่วยดูแลเขาไม่ให้ทุกข์ลาบากเกินไปนและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลเขาในทางที่ถูกนะดังนั้น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 ต่อเนื่องกันเป็นพ่อนะนั้นพ่อแม่คู่นี้จะรักษาเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าไดรักษาเราจนกระทั่งว่าหมดทุกข์คือสติสัมปันยานั้นนิยามของคําว่าพระหันคือผู้ที่มีสติสัมปยาสมบูรณ์นะเขาก็จะไม่ทุกข์ต่อไปนั้นพ่อแม่เขาไดา้ได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์ละนะชุดที่หนึ่งคือ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 สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการอบรมและการปฏิบัติในช่วงห้าวันเจ็วันเนี้เราพยายามที่แก้ไขสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มาผ่านมาทางโต๊ะลงทะเบียนมาได้ถามว่าไม่พวกคุณได้เก็บโทรศัพท์ของนักปฏิบัติไว้ทั้อย่างถ้าคนไหนยังไม่ลงทะเบียนยังไม่เก็บโทรศัพท์เรายังไม่รับลงทะเบียนนะโอ้เดี๋ยวเ๋ยวลืมไปหลวงพ่อเดี๋ย ว, อยวตอนกลางวันจะเก็บว่าไงอ่ท่านนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดสายใหญ่แ ห, ห่งวิบากกรรม เพราะวิบากกรรมเนี่ยเขาจะติดตามเรามาขอเสื่อมบุญถ้าเขารู้ว่าเรามาบําเพ็ญวิปัสสนาเนี่นะบางทีเราพึ่งลงมือทำเนยยังไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเปล่าเลยใช่ไหมเขาเขามาขอมาทวงหนี้ละเพราะฉะนั้นวิธีการนนหนึ่งที่เขาจะมาทวงเราคือใช้สายใหญ่ของเราคือตัวประสานถึงตัวเราคือโทรศัพท์เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่สุดถ้าหลวงพ่อบอกให้ เก็บผู้รักษาจะไปติดอารมณ์นะอันนั้นหลวงพ่อใช้วิธีตัดวิบากกรรมอันอันดําแรกตัดสะพานกรรมว่าั้นนั่น <c oughs> ไม่ให้มาถึงตัวเราหลวงพ่อเจอมาเป็นร้อยๆงานเนี่ยว่าก็จะมารู้ได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นตัววิบากสําคัญบางทีตั้งใจมาม า, มาหาวันมาได้สองวันเสศมาจากบ้านโวนเลยเนี่ยลูกน่ะถูกจับเข้าคู่ในธรรมเลพราะ <c oughs> อะไรเพราไปสูบยา ก, กับเพื่อนว่าไงตั้งใจมาห้าวันสองวันรีบกลับบ้านเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นอย่างนี้เป็นแล้วเป็นอีกก็เลยเอย้มันคงจะเป็นสายวิบากกรรมนะก็เลยคลย่อยๆเก็บต่อมาบางคนก็รู้ว่าพระอาจารย์จะเก็บโรศรศัพท์ก็เตรียมมาสองเครื่องว่างสาเครื่องเครื่องที่หนึ่งจำได้เก็บไปว่าฉันจะมีเครื่องที่สองที่สาที่ ส, อสอโอ้ขนาดนั้นลเลยที่ดเด็ทั้งคุณนี่เหมนกันนะดังนั้นในเป้าหมายในการที่เราสมทานศินวันนี้ก็คือเราจ ะ, ะต้องมีความอดทนในการที่จะ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 เราได้มาลดน้ําให้ปุ๋ยต่อโพธิปัญญาของเราให้เติบโตขึ้นเมื่อโพธิปัญญาของเราได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆในวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลแล้วออกมักออกผลออกมานั้นพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงตัดสิวใต้ต้นโพธิต้นนั้นจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะแต่มันเป็นชื่อของข้โพธิปัญญาโพธิปัญญาคืออะไรคือสติสัมปชัญญานะ ดังการที่เราคอยกระตุ้นกระเตื้อมให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยโพธิปัญญาของเราก็เติบโตแต่แน่นอนอะ่ะมันจะต้องมีอุปสรรคนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้จะต้องมีนอนมีบ่วงมีมแมลงมีอะไรมากัดมาชอดมาใช้เราก็จะต้องดูแลลแล้วในช่วงที่เราปฏิบัติหนึ่งเราจะต้องมีความขี้เกียจเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเข้ามาเบียดเบียนความเบื่อเข้ามาเบียดเบียนความอึอดอัดขัดเคืองเข้ามาเบียดเบียนความฟุ้งซ่านเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเหงาห้านอนความขี้เกียจมันเข้ามาเบียดเบียนตลอด เพราะอันนั้นคือเจ้ากรรมในเวรเก่าของเราเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญละ่ะแต่ถ้าเรารู้เราเท่าทันอย่างนี้เราก็ตั้งใจระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นหลังเพลแล้ววันนี้เราพร้อมใจกันว่าไงเก็บโทรศัพท์นะสี่งข้อแรกที่สุด น, นะเพื่อป้องกันทางแห่งมาร น, นะเก็บโรศัพท์ไว้แต่ว่าหวงพเก็บไม่ได้เพราะอะไรตอนนี้มีคนหลายคนที่เก็บไออารมณ์เข้มอยู่ทั่ว นะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งที่กาโก้พอติดอารมณ์มาโทรหาหลวงพ่อแล้วเอาหลวงพ่อจะทาไงในข้ติดอารมณ์เนี่ ย, อ, อ, ยอันนี้แลสสิบการอยู่ดจ้นที่เก็บอารมณ์มีสองลายมาจากเชียรโกเพอเขาไปปฏิบัติกัรหลวงพ่ออยู่ที่แอรแลนต้าเมื่อเดือนอที่เดือนกุมภาเป็นกุมภาที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าได้อารมณ์แล้วเขาก็เก็บอารมณ์ต่อ ที่บ้านห้องโยมอีกคนหนึ่งที่เขาดูแลแทนอยู่เพราะที่อเมริกานี้ในรัฐไหนก็ตามพระองค์พ่อไปอบรมหลายครั้งก็จะมีผู้นําภาวนาประจําอยู่ถ้าใครหยับได้เก็บอารมณ์แล้วก็มาบ้านคนนั้นก็มาเก็บอารมให้เขาดูแลนะดังนั้นในการภาวนาในวิธีการอวัเฮียนนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเราจะต้องเผชิญกับความจริงเราจะไม่หลบไม่จําเป็นเราจะไม่หลบหนีเราจะเผชิญความจริงความจริงคืออะไร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 ในจุดดีก็จะทำให้เราเข้าไปเสพได้ง่ายนะเพราะนั้นความจริงมี3าอย่างหนึ่งความจริงในส่วนที่เป็นความไม่สบายคือความทุกข์ทุกขลิยสัตว์2 อ, อความจริงเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็จ้มีการปลดเพื่องแก้ไขนำไปสู่ความสบายก็มีในบางคราวสาปดเพื่องแก้ไขแล้วก็นำไปสู่ความพอดีสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปใหม่ ลักษณะความจริงลักษณะนี้เรียกว่ากฎของไตรลักษ์ทํางานอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบต่างๆ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยกระตุ้นกําลังของสติสัมปชัญญะให้มีกําลังอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันความจริงอันนี้เมื่อรู้เท่าทันความจริงนี้ทุกครั้งโดยที่จํากัดความแ ป, ปรปลวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ให้เข้าไปสู่จิต คือคือหน้าที่ของเศรษมีสัญญาที่เราทำเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ากำลังของศรษมีัญญาที่เราทำ <c oughs> ไม่เข้มแข็งพอไม่สามารถสกัดกั้นกำลังของตจ ร, รักที่มันอยู่ในกายเนี่ยไว้ได้มันก็ค่อสูจิตเมื่อเข้าสู่จิตมันจะออกมาเป็นความคิดและออกมาเป็นนิวรณทุกครั้งความคิดและนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ว่าเราจัดการกฎของตจ ร, รักไม่ให้อยู่ในร่างกายเนี่ยได้มันถึงไหลค่อยสู่จิตนะ ดนั้นการทําความเพียรเราจึงทําแบบสบายๆคือไม่นั่งนานเกินไปไม่เดินนานเกินไปสลับยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อดูแลสมดุลระหว่างความสบายไม่สบายเนี่ยให้เท่าเทียมกันแล้วจิตของเราก็จะาลาบลื่นไปเลยนั้นเป็นเหตุกล้าให้เกิดตัวปัญญาโพธทิปัญญาเพราะจิตที่จะเกิดปัญญานั้นไม่ใช่เป็นจิตที่อื่นอัดขับแค็หรือไม่ไม่ใช่จิตที่สบายแต่เป็นจิตที่พอดีพอทนได้ นะพอทนได้ไม่ให้สบายเกินไปและไม่ให้ทุกข์เกินไปนั่นในสมัยครั้งพุทธการเขาไม่ได้ทักถามแบบอย่างปัจจุบันไม่ได้ถามว่าเป็นไงวันนี้สบายดีไหมเนี่ยเรถามกันใช่ไหมคุณชุ่มเกล็ดสบายดีไหมถามบอกสบายดีแสดงว่าคุณพูดไม่จริงเนะี่ยเพราะความจริงคุณไม่สบายใช่ไหมเพิ่ทั้งปวดแค่ของปวดขาถ้าเขาจะถามยังไงพระพุทธเจ้าจะถามพระสะวะเขมรียังอาวุโสพระก็จะตว่าเขามรียังพันเต หมายความว่าพอทนได้ไหมท่านทนได้คขมเรียงพันเตพอทนได้ขอรับนีเพราะฉะนั้นตัวลักษณะของความจริงที่เราประสบตลอดเวลาคือความรู้สึก3อย่างหนึ่งรู้สึกสบายสองรู้สึกไม่สบายสารู้สึกเป็นกลางนิดนิดหนึ่งแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนไปแล้ะเราก็เฝ้าดูเฝ้าดูของ3ามอย่างนี่แหละแต่ละวันแล้วก็บริหารมนันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดทักษะ เกิดทักษะคือเกิดความชำนิชำนาญสามารถเห็นความรู้สึก3อย่างเนี่ยลอยอยู่ในด้านความรู้สึกของเราตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะเป็นกลางนะลักษณะนี้เรียกว่าโพธิปัญญาก็เติบโตนะแต่ว่าในบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าจิตของเราไม่ได้อยู่ในความรู้สึก3าอย่างนี้มันก็แฉลลับออกไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์นั่นหมายความว่าเราออกอนอกทางของโพธิแล้วก็กลับเข้ามานะดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหว เพื่อไม่ให้จิตมันแช่อยู่ในความสุขหรือความสบายเกินไปและเพื่อไม่ให้จิตมันไปยึดเอาตัวทุกขเวทนามาเป็นที่ตั้งบางบางกรรมฐานบางสายก็ค่อนข้างความเพียรนนะบางคนก็ค่อนข้างจะใช้คาว่า อ, อะไรซาดิษนะเหมเือว่าเดินไปจนเดินจูกลมจนเลือดสั่นเลยเพราะนั้นตะีนแตกอะไรแตกก็ไม่ยอมอันนี้ก็เรียกกรรมฐานแบบซาดิษรุนแรงเกินไปก็ไม่ได้นะ บางคนก็เดินจงกรมแล้วก็ง่วงไปอะไรไปหัวชนไฟชนเสาก็เดินไปไม่ต้องหยุดลักษณะนี้ก็ไม่ถูกนะกต้องปรับให้พอดีเพรามมีทางแก้เยอะแยะมากมายตอนนั้นในช่วงเช้าตั้งแต่ตีสนะบอกสเกจ u l e เลยตั้งแต่ตีสถึงตีหเนี่ยตื่นไหวไหมไหวนะตั้งแต่ีสถึงตีหในวิธีการของพ่อก็คือต้อง m นะมฟูลแอ e เซอร์ไซนะคือมายก็ว่ามีการออกกาลังการ่วมกัน อันนี้ทํามาระยะสองสามปีว่าได้ผลทําให้ร่างกายของเราสมดุลแล้วก็นั่งปฏิบัติทั้วันไม่มีปัญหาไม่ปวดง่ายไม่เมื่อยง่ายเพราะเราศึกษาเพื่อที่จะให้ดูแลร่างกายนี้สมดุลท่าสี่ดิน น, โน้โรงไฟเพราะนั้นช่วงเช้าเราสมดุลดิน น, น้ําโรงไฟหนึ่งชงั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาถึงตีห้าใครตื่นทันไม่ทันก็อยู่ในระหว่างนี้นะคนไหนตื่นทันก็ได้ทําเยอะหน่อยคนไหนตื่นช้าก็ได้ทําน้อยหน่อยช่วงตีห้า ความจริงถึงมาช่งชาวงเช้าหนึ่งพอยังไม่ใหญ่จะให้ไปอาบน้ําล้างหน้าอนะไรบอกออกกำลังกายก่อนพอออกกำลังกายเสร็จแล้วเขา่ออาบน้ําล้างหน้าแล้วก็มาทําวัดเพราะอะไรถ้าว่าออกกําลังกายแล้วมาทําวัดเลยไม่ไหวเน้อร้อนเหงื่อแตกอย่างนี้ก็ทําให้ไม่สบายเราไปอาบน้ําล้างหน้าหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงจากที่ห้าถึงที่ห้าึไปทำอาบน้ำชำระตัวทำธุระส่วตัวให้สบายแล้วก็ที่ห้าคึ่งก็มานั่งทําวัดสมุ์จาก ที่ห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าจากหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงนี่ก็เป็นการตรวจสอบอารมณ์ให้กรรมฐานแล้วก็ให้ใบกรรมฐานว่ า, าวันนี้เราศึกษารเรื่องอะไรศึกษาแบบไหนที่ไหนบ้างแล้วก็มานั่งคุยกันจนถึงเจ็ดมงตั้งบริษัทเจ็ดมงแล้วมาอาหารเช้าใช่ไหมฝ่ายจัดการเจ็ดโมงถึงเ็ดมงครึง่งเจ็ดโมงเจ็ดนะโอเคทําเวลานี่นะที่สี่ถึงที่ห้าออกลมกายที่ห้าถึงที่ห้าครึง่ง ไปทำพทุทธส่วนตัวที่ห้าครึกลับมาทำวัดสุน ม, มนแล้วหกโมงถึงเจ็ดโมงก็เป็นเรื่องของการศึกษากรรมฐ า, านาวันเมื่อวานเนี่ยทำมาคุณไหนขัดข้ออะไรก็มานั่งคุยกันนะเสร็จแล้ววันนี้จะทําอะไรต่อเราก็มานั่ ง, ท, ง, ง, ง ท, ทําต่อจากเจ็ดโมงถึงแปดโมงทำพรทุรธส่วนตัวเสร็จทําพุรธเรื่องอาหารเสร็จมาหนึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้ว่าวิธีรับทานอาหารตามที่ฟังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงเมื่อวานเนี่ยมีการ ไปถือไปทานที่ของตัวเองบ้างหรือมีการส่งบินตัวบ้างเนี่ยแต่ตามที่เคยจัดทั่วไปเนี่ยมันลักษณะของบุฟเฟ่เนาะเอาอาหารมาตั้งแล้วก็ตักแล้วก็นั่งทานร่วมกันที่ใดที่หนึ่งอแต่ที่นี่ยังใหม่หลวงพ่ยังไม่เคยมาเลยไม่ทราบว่าจะแบบไห น, นที่จะสะดวกกับพวกเราอันนี้จะขอปรึกษาทีมงานอีกทีสถานที่ ทานตรงี้อ๋อใช่ตรงนี้ใช้เป็นที่ ท, ทาอาหารได้ด้วยนะอ๋อได้โดยโอเคอเอามากระว่าระยะสาวันแรกนี่นะเราปฏิบัติร่วมกันก่อนแล้วก็สามสี่วันหลังเนี่ยเราก็จะคัดแยกละคนไหนที่ริ่มได้สภาวะิ่มได้อารมณ์นิวนรณ์ล่มเบาบางก็ให้เขาเก็บส่วนตัวคนไหนที่พ อ, อยังไม่ค่อยเต็มที่มาปฏิบัติร่วมกันก่อนเพราะคนไหนล่มได้อารมณ์ก็เข้าเ ข, ข้าเก็บปฏิบัติส่วนตัว ถ้าหาว่าคนไหนตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าเก็บตั้งแต่แรกเลยคุณพ่สังเกตไปเรื่อยๆนะเอาตามสภาวะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้สภาวะอารมณ์เดยเข้าไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไปตามกิเลสกิเลสอาิกิเลสหมดนะแต่ถ้าเริ่มได้อารมณ์มได้สภาวะเราไปนั่งทําดูว่าได้หลายชั่วโมงไหมแต่ละขณะซึ่งเราจะพิจารณาเป็นเป็นเป็นไล่ๆไปพราคนไหนที่ยังใหม่ยังไม่ได้เล ย, เลยก็เอามาพาปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้นิวรณ์รบกวนนะ เพรานั่นในช่วงแปดโมงครึ่งทำาระส่นตัวจะครึ่งชั่วโมงเจ็ดมงถึงแปดโงนบางคนก็เสร็จละแต่ยังช้ามาสู่ที่เพลเดยวไม่ไม่เกินแปดโมงครึ่งจากแปดมงครึ่งอาหารกลางวันอยู่ที่สิบเอ็ดมงหรือสิบเอ็ดโมงครึ่งเอมงนะเที่ยวนี้ขอเป็นสิบเอเสร็งเศษหน่อยประมาณนั้นครับประมาณเสิบมงสิบห้าก็แล้วกัน จากนั้นเราทานอาหารเสร็จประมาณเที่ยงแล้วก็ไปผ่อนคลายทํารถส่วนตัวโดวยปกติที่นี่เราใช้เวลาส่วนตัวช่วงบ่ายเป็นเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงบ่ายโมงใช่อหมอไปถึงบง่ายโมงก็บ่ายโมงก็เข้ามาสู่ที่ปฏิบัติรวมเงินก่อนแต่ดูก่อนน่าวันไหนที่ไม่มี <c oughs> ฟ้าไม่มีฝนเร า, าอาจไปใช้ใต้ร่มไม้ร่มกันแวันไหนมีฟ้ามีฝนก็าาาอาจจะเป็นใต้าอาคาร ต้มีอาคารอีกแห่งกว้างขวางอันนี้ก็จะไปดูอีกทีหนึ่งนะดังนั้นจากช่วงบ่ายโมงไปถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะแต่ว่าช่วงสี่โมงครึ่งก็อาจจะมีการรวมตัวเพื่อสอบอารมณ์ในบางวันนะบางวันเห็นว่านักปฏิบัตินั่งใจตั้งใจปฏิบัติไม่มีใครติดอารมณ์อะไรอยู่แล้วอาจจะถึงห้าโมงเพราะห้มงเย็นแล้วก็กลับมารับนับประใช่ไหมรับห้าโมงหรือหกโมงดี หลวพ่อได้ได้บอกตอนเช้าว่าถ้าเป็นน้ําปานะแบบว่าไปหาเองชงเองเนี่ยมันเสี่ยงหลายอย่างนะ <c oughs> เสี่ยงว่าจะเป็นเอ่อมันจะคือถ้าเป็นไปได้คือเป็นเซตไปเลยเนาะจัดมาเป็นเซตเลยถึงขวดไปเลยอย่างเงี้นะไปจะง่ายกว่าถ้าไปหาชงใครชงงานว่าไปชงกาแฟบ้างชงขิงบ้างชงนนชงนี่นก็เลือกไปเลือกมาขีเล็ถูก เอาไปกินกินไปกินหมดนะเพราะฉะนั้นในประมาณห้าโมงเย็นรับน้ำพนะเสร็จแล้วก็ไปทํารสส่วนตัวจากห้าโมงเย็นถึง6กโมงหรือบางวันถ้าหาห้าโมงเย็นไม่พร้อมเป็นหกโมงก็ได้ตอนไปอาบน้ําทำรสส่วนตัวมารับก็ได้แต่บางวันพร้อมเอาห้าได้ก็แล้วแต่ดูทางฝ่ายโลรยที่นี่ทีนี้จากหกโมงครึ่งไปถึงหนึ่งทุ่มเน่ยช่วงนี้เราก็จะ มีการศึกษาฟังธรรมร่วมกันจากวีดีโอบ้างครูบาอาจารย์บ้างจากหนึ่งทุ่มไป1ถึงครึ่ ง, งก็มีการทําวัสนุนแปลจากนั้นก็เราก็ฟังธรรมสอบอารมณ์ไปถึงประมาณสองทุ่มครึ่งไม่เกิน3ามทุ่มอันนี้แต่ละวันได้แต่ตีสี่ถึงสามทุ่มเราขบวนการการศึกษาก็จะทำเป็นอย่างนี้แต่ในระยะช่วงระหว่างกลางพักเวลาเนี่ยเราจะเน้นให้ประคองสติ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 ลักษณะนี้กำลังของสติสมิยักก็จะตั้งอยู่ได้นานแล้วก็เวลาเราออกจากคอร์ดไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้นานเพราะว่าเราได้ตอกย้ําทุกวันเนี่ยในแง่ของทฤษฎีวิชาการที่เราฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเนี่ยแต่ตัวสภาวะที่เราสามารถสัมผัสได้ในแต่ละขณะเนี่ยตัวนี้ยังไม่คมชัดยังตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าหากว่าตัวนี้ตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ตัวสภาวะต่างๆแล้วจิตของเรามันก็จะ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 โดยที่ไม่มีการบังคับกดเกง็งเคร่งเครียดหรือบีบกายบีบใจของตัวเองประคองแบบสบายนะอันนี้ก็คือสเกจจูประจําวันตั้งแต่ตีสีถึงสาทุ่มมีแบบนี้แล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนในแต่และ ว, วันวเราก็จะแจ้งเป็นข่าวครไปนะอันนี้ก็คือเรื่องปทมนิเทศช่วงเช้านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรหมเรื่องของวิธีวิธีการ ชุดออกกําลังกายทุกเช้านี้ถ้าเป็นกางเกงได้พอดีเนาะนะครับเอามาตั้งแต่ทําเวอร์ชั่นนี้มาเนี่ยมันก็ตามปกติเอามาเป็นคนขี้โรคเนาะหลังจากทําเรื่องภาวนาพร้อมกับเรื่องนี้มาก็เป็นคนเข้มแข็งเลยทํางานได้ตลอดปีโดยที่ไม่พักเลยนะและทํางานได้ทั้งหนักทั้งเบาเอามาอยากจะให้ญาติโยมได้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะว่าในเวอร์ชั่นนี้ครูบาอาจารย์อมาฐานทั่วไปเขาเขาไม่เคยทํากันเนาะแต่สัญรับเอามามันได้ได้ประโยชน์อ ะ, อะได้ประโยชน์มาเดินทางกันทั่วโลกในแต่ละปีแต่ว่าไม่มีเวลาพักเลยแต่มก็อยู่ได้สบายแต่เป็นนี่พลาดเป็นนีไ้ไปเจออากาศที่อยู่ท่าเนาะเปิดอบรมที่นั่นวันสฤ ด, ดูช่วงเช้าหิมะลงช่วงกลางวันฝนตกช่วงเย็นแดดมาเป็นอยู่3มวันขนาดร ะ, ระบบฮิตในอาคารมันปรับไม่ทัน เป็นว่าไข้หวัดใหญ่เลยเพราะนั้นในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาทั้งที่อยู่ที่เมกกาที่ยุโรปไข้หวัดทำงานตลอดกลับมามาไทยถึงหายอากาศปรับ mm hmm. ก็ในช่วงที่เราเดินทางทำงานบางทีการออกกำลังกายไม่เต็มที่ใช่ั้ยเพราะนั้นอยากจะให้ญาติโยมได้ฝึกเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นการรักษาตัวเองรักษาลูกให้เข้มแข็งรักษานามให้เข้มแข็ง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 แต่บางครั้งบางคนก็ยังไม่ไม่ยอมเข้าใจทําใจไม่ได้นะบางคนนะ ก, <c oughs> ตก็ต้องศึกษาร่วมกันไปตามมานี่มาเพื่อการศึกษาเนะี่ยมาเพื่อการศึกษาเพอาาร่างกายทำก็ทําง่ายง่ายไปมามีอยู่สองสชุดชุดแบบสบายสบายช่วงเชา้าแรกเนะี่ยชุดนี้ชุดต่อไปเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยเอาชุดนี้ชุดต่อไปเอาชุดนี้ระยะช่วง3วัน แล้วก็ตอนกลางวันมันก็จะมีเอาชุดออกกําลังกายเล็กๆเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติตลอดทั้งวันเนี่ยช่วงวันยาวบางคนไม่เคยเนาะนั่งระยะ3าสี่ชั่วโมงในบางช่วงซึ่งมันก็จะมีง่วงมีเหง า, ม, ามีเบือ่อมีเซ็งมีขี้เกียจมีฟุง้งซ่านสลับกันไปสลับกันมาแต่พอเราได้จับเอาไอ้ตัวออกกําลังกายที่เราทำเนี่ยขึ้นมาช่วยนิดหนึ่งมันก็ผ่านไปได้สบายนะแทนที่เราจะเสียเวลาไปทั้งช่วงเลยเราแก่นิดเดียวนะก็หายนะ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 หนูยังไม่ตื่นนะง่วงหรือใช่ไหมเมืม่อคืนตื่นเต้นเมื่อคืนว่าไม่ได้นอนหลับสนิทด้ยจะได้มาปฏิบัติแล้วนั้นในช่วงบ่ายพราขอะไรชื่อผู้ใหม่ด้วยในจํานวน2คนเนี่ยเราก็จะมาพาฝึกทั้งหากสําหรับผู้ใหม่นะแต่สําหรับช่วงบ่ายเราจะใช้ตรงไหนบ้างเพราะเขาดูก่อนนะในแต่ละกลุ่มอาจจะไม่อยู่ที่เดียวกันทั้งนี้เพื่อ อ, อนุเคราะห์ตามอีซีของผู้ปฏิบัติตกลงว่าไม่มีใครสงสัยเนาะ ม, มีใครสงสัยผู้ใหม่มผู้ชายกี่คนโยมดูเหมือนไม่เคยเห็นหน้าเนา ะ, ะผู้ใหม่สองคนก็นอกนั้นก็เคยนะคนเก่าแต่โยมผู้หญิงเจอเยอะหน่อยเนาะประมาณสักหกเจคนที่ผู้ใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้านี่นะก็ในช่วงบ่ายหลังจากที่ทานอาหารแล้วก็หลวงพ่อเขาดูสถานที่ อ, อีกแข่งหนึ่งว่าถ้าใ น, นช่วงบ่ายถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะไปใช้สถานที่ตรงนูง้นร่วมกันใต้ต้นไม้นั่นนะถ้าไม่มียุงตกลงไม่มีอะไรสงสัยเนาะนะไม่มีอะไสงสัยก็คอนบมทนาเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตั้งใจให้เด็ดขาดว่าในช่วงเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะพยายามศึกษาเฝ้าดูตัวเองให้คุ้มค่ากับเวลาที่เรามา แล้วก็มุ่งศึกษาเรื่องสภาวะที่เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัติที่คงที่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเราจะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็พระธมาซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงจะคอยประคับประคองให้กำลังใจและแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาก็ให้ความตั้งใจนี้จะเป็นพระวะัใจจัยให้เราได้ผ่านพ้นปัญหาสามารถเข้าถึงสภาว ะ, ะคือด้านจิตของเราสะอาดสว่างสงบ ในการทุกคนทุกท th ่านที่